สาธายาโยผู้ใฝ่ธรรมผู้มีความแน่วแน่มั่นคงกับพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2545ตรงกับวันพุธแรม15ค่ำเดือน12เป็นวันสิ้นปีของปีมะเมีย เรียกว่าเป็นวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามปฏิทินทางจันทราคติพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่วันแรกของปีมาแมแต่คนส่วนใหญ่ในสมัยปัจจุบันนี้จะไม่ทราบกันจะไม่รู้กันว่าวันนี้เป็นวันส่งเท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะสมัยนี้เขาใช้วิธีนับ วันปีใหม่อีกระบบหนึ่งเรียกว่าถือวิีทางปฏิทินทางสุริยคติซึ่งเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมทั้งนำการนำเข้ามาแห่งรัฐทีของบริโภคนิยมวัตถุนิยมซึ่งเป็นเครื่องเป็นสิ่งที่เริ่มเข้ามาทำลายจิตใจ ของพุทธศาสนิกชนผู้มีความเชื่อมั่นในธรรมนิยมมาแต่ดั้งเดิมแต่เมื่อถูกกระแสะของวัตถุนิยมบริโภคนิยมเลยทำให้กระแสะแห่งธรรมนิยมนั้นค่อยๆ อ, อ่อนแรงไปโดยเพราะว่าในเหตุเพราะว่าจิตใจ ของคนเราทุกคนนั้นมีเครื่องรองรับกระแสของบริโภคนิยมของวัตถุนิยมนั่นก็คือก ah ิเลสตัณหาโมหะอวิชชาซึ่งเป็นสิ่งที่มีความยินดีมีความชอบในเรื่องของการบริโภคการต่างๆการมีวัตถุสมบัติเข้าของต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ง่ายที่ธรรมนิยมคือความยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมคุณงามความดีทั้งหลายเริ่มเสื่อมไปเริ่มอ่อนไปดังที่เราสามารถเปรียบเทียบได้ในสมัยปุย่าตายายของเรากับในสมัยนี้เราจะเห็นถึงความเสื่อมเสียในทางด้านศิลธรรมนี้ มีเป็นไปอยู่มากเลยทีเดียวในสมัยโบราณทุกๆวันพระจะมีการมาวัดทำบุญทำทานรักษาศีลสังเทศสังธรรมปฏิบัติธรรมชำระขัดเกลากิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาให้เบาเบางลงไปแล้วดำเนินชีวิตไปตามแนวทางของธรรมะคือมีความจริงใจมี ความอดอดทนอดกลั้นมีการเสียสละซึ่งเป็นธรรมประจําจิตใจของผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจแต่ทุกวันนี้ธรรมทั้งสี่ประการนี้คือสัจจะขันติธรรมะและจาระนั้นเริ่มสูญสลายห่างออกไปจากจิตจากใจของคนในสมัยปัจจุบันนี้ เพราะอำนาจของวัตถุนิยมบริโภคนิยมได้เข้ามาครอบงาจิตใจทำให้ทาให้ไม่เห็นความสำคัญของของคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้คนเราสมัยนี้เวลาคบค้าสมาคมกันจึงไม่ได้คบกันคบค้าสมาคมกันด้วยความจริงใจแต่คบค้าสมาคมกันด้วยผลประโยชน์มากกว่า ถ้าใครมีผลประโยชน์เขาก็จะคบกับคนนั้นดังนั้นสมัยนี้คนที่มีเงินมีทองมีตำแหน่งมีอำนาจวาสนาจึงกลายเป็นของหอมไปทั้งทั้งที่ไม่แน่ใจว่าการที่เขาขึ้นมาสู่ความมั่งคัง่งความมีอำนาจวาสนานั้นเขาขึ้นมาด้วยวิธีใดถ้าเขาขึ้นมาด้วยวิธีที่ทุจริตเขาก็ไม่น่าจะเป็นคนที่มีความ มีกลิ่นหอมเป็นเป็นเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์ที่คนเราควรจะยินดีด้วยแต่เพราะอำนาจของความหลงความไม่รู้ถึงความดีงามว่าเป็นอย่างไรว่าคนดีที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรคนเราส่วนใหญ่ซึ่งถูกอำนาจของกิเลสตัณหาครอบงำอยู่ก็เลยมักจ ะ, สะแสวงหา คนที่มีอำนาจวาสนามีเงินทองบารมีทั้งหลายโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเขาได้ก้าวขึ้นมาสู่ในตําแหน่งอย่างนี้ได้อย่างไรเขาฆ่าเขาโกงเขาทําลายชีวิตของผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความเจ็บช้ำทน้ําใจให้กับผู้อื่นมากน้อยเท่าไหร่เราไม่รู้กันเพราะเราไม่มองที่เหตุที่นํามาสู่ความมั่งคั่ง ความมีอำนาจของเขาเรามองเพียงแต่ว่าเขามีอำนาจเขามีความเขามีเงินทองถ้าเราอยู่ใกล้ชิดเขาเราก็จะได้ส่วนบุญจากเขามาบ้างเท่านั้นเองนี่เป็นการคิดของคนที่มืดบอดมีความหลงครอบมมองำจิตใจไม่เห็นคุณธรรมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสังคมในโลกเรานี้ทุกวันนี้จึงมีแต่ความวุ่นวาย มีแต่ความเดือดร้อนมีการเบียดเบียนกันเพราะทุกคนก็มุ่งแสวงหาเงินทองหาอำนาจวาสนากันเพื่อที่จะเป็นเครื่องดึงดูดให้มีบริสัทธ์บริวารให้มีการสรรเสริญเยินยอสังคมเลยกลายเป็นสังคมที่มีการเอารัดเอาเปรียบมีการเห็นแก่ตัวแทนที่มีจาระการเสียสละสังคมยนี้กลายเป็นสังคม ปากกัดตีนถีบตัวใครตัวมันเหมือนกับปลาใหญ่กินปลาเล็กไปสังคมเลยจึงเป็นสังคมที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ทั้งๆ ท, ที่มีวัตถุข้าวของเงินทองมากมายก่ายกองแต่ไม่มีความสุขเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นตัวที่จะนำความสุขมาให้ นอกจากไม่ได้นําความสุขมาให้แล้วยังนําความทุกข์นําความวุ่นวายใจมาให้เสียอีกเพราะเมื่อเราลองไปยึดติดกับวัตถุเข้าของแล้วเราก็กลายเป็นเหมือนคนพิการที่จะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไปอยู่เรื่อยๆและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะมีแต่ศูนย์หมดไปเรื่อยๆตามการตามเวลาตามการใช้งานของเราก็กลายเป็นเครื่องผลับดัน ความกดดันให้จะต้องไปแสวงหามาเพิ่มขึ้นอีกเมื่อแสวงหาด้วยความสุจริตไม่ได้ก็แสวงหากันด้วยความทุจริต <c oughs> ทั้งๆที่ความสุขที่แท้จริงของคนเรานั้นไม่จําเป็นจะต้องมีวัตถุเข้าของอํานาจวาสนาบารมีมากมายกายกองเลย <c oughs> เพียงแต่มีปัจจัยสี่ไว้ดูแลรักษาร่างกายแล้วก็มีคุณธรรมความดี ไว้รักษาจิตใจให้กำหลกักกิเลสตัณหาความอยากความความโลภทั้งหลายให้เบาบางไปเท่านี้ชีวิตของคนเราก็มีความสุขได้แล้วแต่เพราะว่าสมัยนี้กระแสะของรัที่นิยมนี้แรงมากกระแสรัที่วัตถุนิยมบริโภคนิยมนี้มีความแรงมากทําให้กระแสธรรมนั้น ไม่สามารถต้านอยู่ได้ในโบราณการเราจะใช้วันพระเป็นวันหยุราชการวันโกนเป็นวันหยุราชการเพื่อจะได้ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าวัดเพื่อได้ประกอบคุณงามความดีชำระขัดเกลากิเลสตัณหาอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจให้เบาบางลงไป <c oughs> และเมื่อได้ขัดเกลาแล้ว จิตใจก็จะมีความสุขมีความปิติมีความอิ่มก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดิ้นรนทุรนทุรายสแสวงหาวัตถุเข้าของต่างๆหาอำนาจวาสนาต่างๆมาเป็นเครื่องให้ความสุขกับใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องที่ให้ความสุขแต่เป็นยาพิษที่จะคอยทำลายจิตใจ ให้มีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมมงมีแต่ความทุกข์ความกังวลใจมีแต่ความกระหายอยากที่จะมีให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไปเปลี่ยนวิธีการหยุดงานวันทำงานของเราแทนที่จะหยุดวันโกนวันพระกันเราก็ไปหยุดวันเสราร์อาทิตย์เพื่อตามกระแสของโลกาพิวัต ของประเทศอื่นๆที่เขานับถือศาสนาอื่นเราไปตามเขาเราขาดทุนแต่เขาไม่ขาดทุนเพราะเขาวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เขาก็ยังเข้าโบสถเข้าวัดของเขาเขาก็ยังไปฟังเทศฟังธรรมไปทำบุญไปทำทานสังคมของเขาจึงไม่ค่อยเละเทะเหมือนสังคมของเราถึงแม้ว่าเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุแต่เขาก็มีระเบียบมีวินยัย เรื่องการคโกงคอร์ชัปคอร์รัปชันของเขาก็ไม่มีมากมายไ ก, ก่กองเหมือนสังคมของบ้านเราก็เป็นเพราะว่าเขายังได้เข้าหาคำสอนของศาสนาเขาที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็สอนเหมือนเมือนกันคือสอนให้คนเรานั้นมีความซื่อสัตย์สุจริตให้ตั้งมั่นอยู่ในการประกอบสา ม, มาชีพไม่ไม่ไม่ไมทางผิดศีลผิดธรรม ให้มีความเมตตาเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความจริงใจต่อกันและกันให้คบกันด้วยด้วยน้ำใจคบกันด้วยความเมตตาการุณาไม่ได้คบกันเพื่อประโยชน์ต่างๆนานาอันถึงที่จะได้กันสังคมเขาถึงแม้จ ะ, จะเจริญทางด้านวัตถุจเจริญทางด้านบริโภคเขาก็ยังมีสิ่งที่คอยควบ ค, คุมการ ความจเจริญเติบโตของบริโภคนิยมวัตถุนิยมนี้ให้อยู่ในขอบเขต ท, ที่ที่ดีงามคือสังคมยังอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นกันสุดแต่สังคมของเรานี้กลับตรงกันข้ามกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้วันพระวันโกนก็ไม่ได้ตรงกับวันหยุดการทำงานคนที่จะมาวัดเพื่อที่มาขัดเกาอกิเลสตัณหา มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็มาไม่ได้และเมื่อถึงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีวัดที่ทำกิจกรรมเหล่านี้กันเพราะวัดส่วนใหญ่ก็จะทำแต่วันพระวันเดียวดังนั้นเวลาญาติโยมที่มีเวลาว่างในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่อยากจะเข้าวัดเพื่อไปขัดเกลกิเลสตัณหาไปฟังเทศฟังธรรม ก็จะไม่มีที่ไปมากนักเพราะวัดส่วนใหญ่จะไม่ม huh <cies> ีก <vor> ิจกรรมทางศาสนาในวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ยกเว้นว่าถ้าถ้าไปตรงกับวันวันพระถึงจะมีการมีกิจกรรมทางด้านทางศาสนาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เมื่อเป็นเช่นนั้นการอบรมบ่นนิสัยจิตใจการขัดเกลาจิตใจชําระกิเลสตัณหาในใจของชาวพุทธเรา จึงน้อยลงไปเรื่อยๆและในทางตรงกันข้ามการสะสมกิเลสตัณหาก็มีเพิ่มขึ้นไปมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยทําให้จิตใจของคนสมัยใหม่นี้กลายเป็นจิตใจที่มีแต่กิเลสตัณหา <c oughs> แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นกิเลสตัณหาเขากลับว่าเป็นความทะเยอทะยาน <c oughs> เป็นความขยันความความก้าวหน้าเพราะคนเรา ถ้าไม่โลกไม่ไม่ไม่อยากแล้วสังคมจะก้าวหน้าอย่างไรเมื่อทุกคนอยู่เฉยเฉยไม่ค้นคว้าไม่ประดิษฐ์ไม่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่ๆนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฐิความเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเพรอไปยึดติดก็อยู่กับความเจริญในกะในความเจริญของวัตถุข้าวของต่างๆคิดว่าถ้าเรามีวัตถุต่างๆมาก เช่นมีรถรางมีเครื่องใช้ไม่สอยเครื่องปรับอากาศพัดลมวิทยุโทรทัศน์สิ่งของต่างๆเหล่านี้แล้วหมายถึงว่าเรากำลังมีความเจริญนั่นเป็นเพียงความเจริญทางด้านวัตถุแต่จิตใจของเราเป็นอย่างไรจิตใจของเรายังรักษาความเป็นมนุษย์ได้หรือไม่จิตใจของเรายังละเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตละเว้นจาก การรักทรัพยละเว้นจากการทำพฤติผิดประเวดีละเว้นจากการพูดปลดมดเท็ดละเว้นจากการเสพชูลายาเมาและอบายมุขต่างๆอยู่ได้หรือไม่หรือว่าจิตใจของเรานั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีความสนใจในเรื่องเหล่านี้แล้วเห็นว่าศิลธรรมนั้นเป็นของสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกให้คนทําความดีแต่ผล เสียผลร้ายที่จะตามมาต่อไปในภพหน้าชาติหน้านั้นไม่มีเพราะคนไม่เห็นว่าเมื่อเราตายไปแล้วจะไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าได้อย่างไรเพราะเราเห็นเพียงแต่ร่างกายของเราเท่านั้นเองเราเห็นว่าร่างกายของเราเมื่อตายแล้วเมื่อเอาไปเผาก็กลายเป็นที่เท่าที่ฐานเหลือเศษกระดูกอยู่เล็กๆน้อยๆ ก็เอาไปใส่พระอบหรือเอาไปลอยอังคารในทะเลแล้วก็หมดสิ้นไปบาป ก, กรรมทั้งหลายหรือบุญว่าบุญความดีงามทั้งหลายที่ทำไว้ก็ไม่มีผลที่จะให้กับคนนั้นอีกต่อไปนั่นเป็นเพราะว่าเป็นคนตาบอดมองเห็นเพียงครึ่งเดียวของชีวิตเราก็เห็นเพียงแต่ร่างกายไม่เห็นจิตใจ เปรียบเหมือนกับคนที่เห็นต้นไม้เห็นส่วนที่โผล่ขึ้นมาจากจากดินแต่ไม่เห็นส่วนที่อยู่ภายใต้ดินคือรากไม้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะคอยซึมซับอาหารหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้มีให้มีชีวิตอยู่ได้ฉันใดคนเราหรือชีวิตของเรานี้ก็เป็นเช่นนั้น เรามีทั้งร่างกายและมีจิตใจจิตใจนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวที่เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายกระทําการสิ่งต่างๆเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของจิตใจแต่ถ้าเราไม่ท่อาหาพระพุทธศาสนาไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเราจะไม่รู้เรื่องของจิตใจเลยเราจะคิดว่า เราก็คือร่างกายของเรานี้เมื่อร่างกายของนี้ตายไปสูญสลายไปเราก็จบกันก็เลยทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาในเรื่องความตายกันทั้งๆ ท, ที่ผู้ที่กลัวความตายคือจิตใจนั้นหาตายเปกับร่างกายไม่จิตใจเป็นสิ่งที่ทําลายไม่ได้มีแต่จะต้องไปต่อ คือเมื่อร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วก็ต้องไปหาร่างอันใหม่เพื่อที่จะใช้ร่างใหม่นั้นเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับกิเลสตัณหาเคยหากามสุขให้กับจิตใจดวงนั้นผู้ที่ยังมีความอยากในกามตัณหาอยู่มีความอยากในกามอยู่จึงต้องไปหาร่างอันใหม่จึงต้องไปเกิดใหม่จะไปเกิด ได้ร่างแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทําไว้ถ้ารักษาศีลห้าไว้ได้ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพุธขึ้นไปแต่ถ้าไม่ได้รักษาศีลห้ามีการละมีการประพฤติผิดศีลอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อตายไปก็จะต้องไปเอาร่างของเดรัจฉานของเปรต ข, ของอสุรกาย หรือของสัตว์นรกมาครอบครองเพราะการผิดศีลผิดธรรมนี้เป็นต้นเหตุที่จะนําไปสู่อบายนั่นเองเปรียบเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไว้ถ้าเราเพาะเมล็ดพันุ์ชนิดใดเราก็จะต้องได้พืชผลของเมล็ดพันุ์ชนิดนั้นถ้าเราปลูกส้มเมื่อต้นไม้โตขึ้นก็จะต้องออกผลส้มออกมาถ้าเราปลูก มะม่วงก็จะได้มะม่วงฉันใดถ้าเราสร้างอบายไว้ในใจของเราด้วยการทำผิดศีลผิดธรรมอย่างสม่ำเสมอนั่นก็เป็นเท่าเท่ากับเป็นการปลูกเมล็ดพืชแห่งอบายไว้ในใจของเรานั่นเองเมื่อถึงเวลาที่เมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะออกดอกออกผล มันก็สงให้เราต้องไปเป็นดังที่เราได้เพาะพันเหล่านั้นไว้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเฟรดเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกบ้างก็เกิดจากการกระทาของเราคือการกระทาที่ผิดสิงผิดธรรมนั่นเองด้วยเหตุที่เกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าภพชาติไม่มีคือมีอยู่ชาติเดียวไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด กรรมไม่มีทาไปแล้วไม่มีผลตามมาตามมาได้ก็แค่ก็เพียงแคบชาตินี้เท่านั้นเองเช่นถ้าไปฆ่าฆ่าสัตว์สัดชีวิตถ้าไมถา่ถ้าถูกตำรวจจับก็ต้องจับก็ต้องถูกเข้าคุกเข้าตารางแต่ถ้าไม่ถูกจับก็ถือว่ารอดตัวไปแต่จะไม่มีผลตามมาอีกต่อไปหลังจากที่ได้ตายไปแล้ว นี่เป็นความเห็นของปุตุชนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านเพราะเราไม่มียานไม่มีดวงตาเห็นธรรมที่จะเห็นสิ่งที่ละเอียดไปกว่าร่างกายของเรานั่นก็คือจิตใจของเราทาั้งที่จิตใจของเรานะั้นอยู่กับเราตลอดเวลาเป็นผู้รับฟังธรรมเทศนาที่กำลังแสดงอยู่นี้และเป็นผู้แสดงธรรมเทศนานี่แหละคือใจใจเป็นผู้คิด เมื่อคิดแล้วก็พูดออกมาแล้วเมื่อเสียงออกไปก็ไปกระทบกับหูหูก็รับไปแล้วก็ส่งเสียงนั้นเข้าไปสู่ใจอีกทีใจก็เป็นผู้รับทราบเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของใจล้วนๆแต่ใจไม่เคยศึกษาเรื่องของใจเลยไม่รู้จักใจรู้จักแต่ร่างกายใจอยู่กับร่างกายมานานเจ้กระทั่งใจเลยคิดว่า ร่างกายนี้เป็นใจไปด้วยเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อร่างกายรักษาร่างกายไว้ให้ดีเพราะร่างกายนี้เป็นตัวที่จะนำความสุขมาให้กับใจคือกามาสุขต้องมีร่างกายนี้คือต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายไว้สัมผัสกับรูปเสียงเกลิ่นรสโผฏฐพะ ท, ทั้งหลาย ดังนั้นจึงมีกา ร, นรนที่จะต้องดูแลรักษาร่างกายนี้ให้อยู่ไปนานๆยังมีการสแสวงหาเงินทองด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะมาดูแลรักษาร่างกายนี้แล้วเอาเงินทองที่มีเหลือจากการดูแลรักษาร่างกายนี้เอาไปแลกเปลี่ยนกับรูปเสียงโผฏฐพะต่างๆที่ถูก อ, อกถูกใจเช่นไปเที่ยวดูหนังดูละคร ไปเดินทางไปต่างประเทศกันหรือไปซื้อข้าวของต่างๆที่ที่ถูก อ, อกถูกใจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรองเท้าเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือของต่างๆเหล่านี้ร่วนเป็นเครื่องรอดจิตใจของผู้ที่มีความมืดบอด ของผู้ที่ยังถูกกิเลสตัณหาครอบงาอยู่จึงทำให้ทุกคนที่มีกิเลสตัณหาครอบงาอยู่จึงกระเสือกกระสนดิ้นรนออกไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่จะได้นำมาซื้อสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่คำนึงถึงว่าการที่ไปแสวงหาเงินทองนี้จะมาได้ด้วยวิธีใดจะผิดศีลผิดธรรมหรือไม่ก็ไม่สนใจ แต่เพราะว่าเพราะว่าเชื่อว่าไม่มีผลเสียอันใดตามมาคือไม่มีบาปตามมานั่นเองทําผิดศีลทางบาปทํากรรมแล้วเมื่อตายไปก็จบเพียงแต่ว่าในขณะที่อยู่ก็ระวังตํานวจไว้หน่อยก็แล้วกันโกงเขาก็อย่าให้เขาจับเราได้ก็พอแล้วขอให้เรามีเงินทองมีอํานาจวาสนาเพื่อเราจะได้มีความสุข แต่มันเป็นความสุขที่ฉาบฉวยเป็นความสุขที่ไม่สร้างความอิ่มสร้างความทอเป็นความสุขที่ร้อนไม่ใช่เป็นความสุขที่เย็นเพราะว่ามันจะสร้างให้เรามีเกิดความร้อนรนที่จะต้องไปหาความสุขเหล่านี้มาตอบตก ว, วอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบสิ้นไปตายไปจากชาตินี้ความอยากนี้ก็ยังฝังอยู่ในใจเมื่อไปเกิดในชาติใหม่ ก็ไปทำอย่างเดียวกันอยู่ร่ำไปไม่มีที่สึ้นสุดในทางตรงกันข้ามถ้าเรานำวิถีทางธรรมรสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องพาเราไปถึงแม้เรายังอยากจะบริโภคการอยู่ยังอยากจะมีวัตถุต่างๆอยู่พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ห้ามไว้เลยทีเดียวเพียงแต่สอนว่าให้หามาด้วยความสุดจริตก็แล้วกันคืออย่าไปทำบาป ท, ทำกรรมเพื่อได้มา เพราะว่าถ้าหามาด้วยความสุดจริตแล้วเงินทองเข้าของที่เราหามานั้นก็จะไม่เป็นโทษเราเพราะไม่ไม่เป็นเหตุที่จะทำให้เราต้องไปใช้บาปใช้กรรมในภพชาติหน้าต่อไปแล้วยังจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงแต่ว่าศาสนานสอนให้เราไปที่สูงกว่านั้น เพราะภพชาติแต่ละภพชาตินั้นถึงแม้จะเป็นภพชาติของมนุษย์กรดีของเทพกรดีของพรหมก็ดีนั้น<ม>ก็ยังมีความเสื่อมเป็นธรรมดาคือมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการตายตามมาเป็นเทพเป็นพรหมเมื่อหมดบุญของเทพหมดบุญของพรหมก็ต้องกะก็ต้องสูญสลายจากความเป็นเทพเป็นพรหมก็ต้องไปเกิดใหม่สุดแท้แต่บุญกรรมที่ทาไว จะส่งให้เป็นไปเพราะพุทธศาสนาจึงสอนสภาพที่สูงกว่านั้นคือสภาพที่ไม่ต้องเกิดที่เรียกว่าพระ น, นิพพานพระนิพพานนี้เป็นสภาพที่อยู่ของจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ไม่มีกิเลสตัณหาจิตที่ได้รับการชําระด้วยการปฏิบัติธรรมคือการทำบุญทาทานรักษาศีล นั่งสมาธิและเจริญปัญญาเพื่อที่ให้เกิดวิมุตตคือการหลุดพ้นจากจากอำนาจของกิเลสและตัณหานั่นเองมีเครื่องมือนี้เท่านั้นที่จะสามารถชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกให้หมดไปได้ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนถ้าไม่ทำแล้ว เพียงแต่ทําอย่างที่เราทํกไปอยู่คือทําบุญทาทานแล้วรักษาศีลเราก็จะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาติล่านี้เพียงแต่ว่าเรายังเราจะได้เกิดในสุคติคืออยู่ในภพของมนุษย์ของเทพแทนที่จะไปเกิดในภพของอบายสังหนั่นนั่นเองแต่ถ้าเรานอกจากทําบุญให้ทาน รักษาศีลแล้วเรายังปฏิบัติธรรมกันเช่นวันนี้เราก็มาถือศีลแปกันละเว้นจากการหาความสุขทางด้านกลามกลามคุณคือไม่ไปดูหนังดูละครอย่างที่ผู้ที่ถือศีลแปดเขาถือกันแล้วก็หันมาหาความสุขทางด้านจิตใจคือทำจิตใจของเราให้ สงบให้เป็นสมาธิเพราะเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิแล้วจิตใจของเราจะมีความสุขมีความสบายใจเพราะความคิดปรุงต่างๆที่สร้างความอารมณ์ต่างๆให้เกิดในภายในใจของเรานั้นได้ถูกหยุดไปเมื่อไม่มีความคิดปรุงที่สร้างอารมณ์ต่างๆให้มีอยู่ในใจแล้วอารมณ์ต่างๆก็หายไป จิตก็เป็นจิตที่ว่าเป็นจิตที่มีแต่ความสงบมีแต่ความนิ่งคล้ายๆเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดน้ำที่ได้รับการแกว่งด้วยสารส้มก็จะตกสิ่งที่เป็นขมเหาต่างๆที่อยู่ในน้ำก็จะตกตะกอนไปก็กลายเป็นน้ำที่ใสสะอาดกิเลสตัณหาก็เป็นคล้ายๆกับพวกขมเหลวทั้งหลายที่อยู่ในใจของเรา เมื่อได้รับการแกว่งสารส้มด้วยการทำสมาธิจะเป็นด้วยการวิธีไหว้พระสวดมนต์ก็ดีหรือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธก็ดีเหล่านี้เป็นเหมือนกับการแกว่งสารส้มในใจเราเมื่อใจของเราได้รับการแกว่งสารส้มด้วยการปฏิบัติสมาธิแล้ว <c oughs> กิเลสตถาจะเกาะตัวกันแล้วก็จะตกตะกอนแยกออกจากน้งทำให้น้าใจของเรานั้นใสสะอาดทาให้จิตใจของเราเบา อ, อกเบาใจมีแต่ความอิ่มมีแต่ความปิติมีแต่ความสุขมีแต่ความพอนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่พวกเราทุกคนแสวงหากันอยู่แทบทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราไปหลงติดอยู่กับ ลูกเสียงเกล็ดล้นโผฏฐะทั้งหลายคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือความสุขเราจึงวิ่งเหมือนกับคนที่วิ่งตะคุบเงาวิ่งไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเจอความอิ่มความพอเพราะเมื่อเราได้สัมผัสเราได้เสพแล้วมันก็เกิดความอยากที่จะจะไปเสพไปสัมผัสอีกในวันข้างหน้าอย่างวันนี้ถ้าเราได้ไปเที่ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อยากจะออกไปเที่ยวอีกเราเที่ยวมาตั้งแต่เราเป็นเด็ก จนกระาทั่งเดี๋ยวนี้เราแก่จะตายอยู่แล้ว <c oughs> ใจของเรามันก็ยังไม่อยากจะเิเที่ยวนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไปกำจัดตัวอยากนั่นเองเรากลับไปส่งเสริมตัวอยากให้มีกำลังมากขึ้นไปทุกครั้งที่เราอยากจะเที่ยวแล้วเราไปเที่ยวตามความอยากมันก็จะทำให้ความอยากเที่ยวในข้างหน้านั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปในทางตรงกันข้ามทุกครั้งที่เราอยากจะเที่ยวแล้วเราไม่ไป แทนที่เราจะไปเที่ยวเรากลับมาอยู่วัดมาอยู่จำศีลปฏิบัติธรรมกันก็เป็นการชาระความอยากให้เบาบางลงไปทำให้วันหน้าความอยากที่อยากจะออกไปเที่ยวก็จะเบาบางลงไปและยิ่งถ้าเราพยายามชำระอยู่เรื่อยๆเอาชนะอยู่เรื่อยๆไม่ยอมทำตามความอยากที่จะไปเที่ยวต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะหายไปจากใจ มันก็จะไม่มีความยินดีต้องการที่อยากจะไปเที่ยวอีกต่อไปนี่เป็นความจริงถ้าไม่เป็นความจริงแล้วคนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอ า, า ร, รามสาวทั้งหลายท่านจะอยู่ได้อย่างไรท่านเหล่านั้นท่านก็เคยเที่ยวมามากมายกายกองมากยี่กับพวกเราสี่<ม>เพียงแต่ว่าท่านเห็นโทษของการออกไปเที่ยวนี้ว่ามันไม่ได้นำมาซร่างความสุขให้กับท่านอย่างแท้จริงท่านจึงลองวิธีใหม่ คือแทนที่จะออกไปเที่ยวก็ฝืนต่อสู้กับความอยากเที่ยวจนกระทั่งในที่สุดความอยากเที่ยวที่เคยมีกำลังวังชามีอำนาจควบคุมบังคับจิตใจก็หมดไปเมื่อหมด